เนคขมมะนั้นแปลกันว่าออกก็คือออกบุตตามความหมายทั่วไปแต่ก็มีความหมายในทางจิตใจที่ใช้ได้ทั้งบรรพจิตทั้งกริหัดเหมือนกัน ก็คือออกจากความติดใจยินดีอยู่ในกามนั่นเองเมื่อจิตไม่มีแนคขมะก็ไม่ได้สมาธิติดใจยินดีในกายนั้นก็คือในกายของตน อันนับว่าเป็นตันหาจริตอย่างหยาบทำให้พอใจในการที่จะตกแต่งกายจึงไม่ คิดที่จะตกแต่งจิตใจมุ่งแต่จะตกแต่งกายติดในกายและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ออกไม่ได้ และนอกจากนี้ยังหมายถึงติดอยู่ในสุขเวทนาทางกายมากอีกด้วยเช่นมุ่งที่จะทนุทะุง บ, บำรุงกายให้มีความสุข จะต้องอยู่ในที่ที่มีความสุขทางกายจึงเป็นอันทมให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติกระทำสิ่งที่จะทำให้ร่างกายเป็นทุกข์ จะตากแดดสักหน่อยหนึ่งก็ร้อนไม่ได้จะตากฝนสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้จะถือศียรข้อไม่นั่งไม่นอนบนที่นอนที่ยัดนุ่นก็เจ็บกายทำไม่ได้จะนั่งกรรมฐานสักหน่อยหนึ่งก็ปวดเมื่อยกาย ทำไม่ได้ดังนี้ก็รวมอยู่ในข้อว่าติดใจยินดีอยู่ในกายติดใจยินดีอยู่ในรูปนั้นท่านอธิบายว่ารูปภายนอกต่างๆ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 สิ่งต่างๆโดยรอบมีความสวยงามวิจิตพิสดารจึงเป็นอันว่าไม่มีเวลาที่จะมามุ่งปฏิบัติกรรมฐานหรือปฏิบัติธรรม คือไม่คิดที่จะมาตกแต่งธรรมคือตกแต่งกุศลละธรรมทั้งหลายให้มังเกิดขึ้นกินแล้วนอนก็เป็นการตัดประโยชน์ ทำนองว่าชีวิตนี้ดำรงอยู่ก็เพื่อกินนอนไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์เสียทั้งทางโลกทั้งทางธรรมและความ มุ่งที่จะเกิดในหมู่เทพคือมุ่งสวรรค์ก็เป็นความมุ่งที่สวนทางกับมรรคผลนิพพานอันเป็นสงของการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมนั่นเพื่อมรักผลนิพพานหรือว่าถ้าผลอย่างสามัญลงมาก็เพื่อความดีเพื่อความบริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อสวรรค์ จะเป็นสวรรค์ในโลกนี้อันหมายถึงว่าความสุขต่างๆในโลกนี้ทางวัตถุหรือสวรรค์ในโลกหน้าตามที่แสดงไว้ก็ตามแต่ว่ามุ่งที่จะที่จะขัดเกลา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 คือบักผลนิพพานพระฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้รู้จักว่าทั้งห้าข้อนี้คือมีกินดีอันเรียกวราคะ อยู่ในกามในกายในรูปและเอาแต่กินนอนกับมุ่งสวรรค์ก็คือมุ่งความสุขทางวัตถุต่างๆ เป็นเจโตวิดิพันธะคือเครื่องผูกพันใจผูกพันใจเอาไว้ให้ปฏิบัติกระทำหรือจะเรียกว่าศิกษาศึกษาก็ได้เหมือนกัน เพื่อกามเพื่อกายเพื่อรูปเพื่อกินนอนแบบเพื่อสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะทรงจิตใจมาศึกษา ธรรมอันเป็นคุณธรรมนำให้เกิดความดีงามต่างๆไม่ตกแตง่งหรือว่าปรุงแตง่งธรรมะปฏิบัติอันเป็นส่วนดีงาม ไม่ปฏิบัติปรุงแต่งรูปประชานรอรูปประชานหรือพูดเป็นกลางๆว่าไม่ปฏิบัติปรุงแต่งธรรมะที่เป็นคุณงามความดี แม้ตั้งแต่ขั้นรูปประธรรมที่เป็นส่วนนีส่วนชอบและเอาแต่กินนอนไม่ประกอบชีวิตใช้ชีวิตให้ทำประโยชน์อะไรและ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 เป็นการกล่าวถอดความเข้ามาให้เห็นสวรรค์ที่เป็นปัจจุบันเพราะแม้สวรรค์ในโลกหน้าตามเนี่ก็ล้วนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุขทางวัตถุทางนั้นประกอบไปด้วย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 คนจึงทิ้งธรรมะทิ้งศีลทิ้งสมาธิทิ้งปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้คือไม่ศึกษาปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาแต่ไปศึกษาในทางที่จะได้เงินมามากมากอย่างไร จะลักขโมยอย่างไรจะโกงอย่างไรจะรวบรวมมาได้อย่างไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะเมื่อใดวัตถุนั้นมาเช่นวัน่ใดเงินได้ทองมาก็เป็นอนวัตนั้นเป็นที่ประสงค์ตีราคาของสิ่งเหล่านี้ยิ่งไปกว่าราคาของธรรมะที่เป็นตัวคุณงามความดีเพราะฉะนั้น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 แลตีราคาวัตถุ ด, ดังกล่าวนี้สูงกว่าราคาของธรรมะที่เป็นคุณงามความดีเพราะฉะนั้นแต่ละข้อที่ตรัสไว้จึงเป็นสัจจะคือความจริงที่เป็นเครื่องผูกพันใจเมื่อให้ไฟหาธรรมะที่เป็นตัวคุณงามความดีแต่ให้ไฟหาแต่กรรม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 ไม่ปฏิบัติละเสียความเบียดเบียนกันในโลกก็จะยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นจนถึงเรียกว่าเป็นการยุคนก็จะยิ่งเบียดเบียนซึ่งกันและกันทำร้ายร่างกายกันค่าฟันกันมากขึ้นทุกทีทุกทีดอเมื่อละเสียได้มามุ่งที่จะ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 อิทธิบาทคือธรรมะที่ให้บรรลุถึงความสำเร็จวิมังษาความใคร่ตรวงพิจารณาสาหรับเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมะที่เป็นคุณงามความดีต่างๆให้บังเกิดขึ้นและแตระดเพิ่มอีกข้อหนึ่ง อันเรียกว่าอุดสนธิแปลกันว่าความขมักขมันแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็อาจหมายถึงขันติคือความอดทนความอดกลั้นทนทาน จึงเป็นเหตุให้สามารถมีความเพียรขมักขม้นปฏิบัติกิจที่พึงปฏิบัติปฏิบัติธรรมะที่มนคุณงามความดีให้สำเร็จได้อีกข้อหนึ่งรวมเป็นห้าข้อด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงรวมเป็นส5บห้าข้อคือในด้านละเสียส0บข้อ ละตะปูที่ตอกตรึงใจห้าข้อละเครื่องผูกพันใจห้าข้อและอบรมอิทิบาท4กับอบรมขันติคือความอดทนอดกลั้นทนทานอันทำให้ขมักขม้นบปฏิบัติกรรณิยะคือกิจที่ควรทำต่างๆให้สำเร็จได้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 และประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลอาทิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้น เรียกได้ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นความเห็นตรงสัมมาทิฏฐินี่เป็นข้อสำคัญ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้เป็นข้อแรกในมัคมีองแปดคือเป็นองค์แรกของมัคมีองแปดนั้นเพราะฉะนั้น การทำสมาธิดังที่ได้กล่าวว่าทำสมาธิในการฟังก็เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันเป็นสมาธินี้เองแต่หากว่า ไม่ได้เป็นอันเป็นสมาธินี้ก็มิบรรลุถึงข้อที่ปฏิบัติและผลแห่งข้อที่ปฏิบัติ อันเป็นที่มุ่งในทางพุทธศาสนาคำมพุทธศาสนานั้นก็แสดงอยู่แล้วว่าเป็นศาสนาทางปัญญาพร ะ, ระพุทธเจ้า ภูตรัสรุก็คือทรงปัญญาตรัสรุนั่นเองฉะนั้นปัญญาจึงเป็นข้อสำคัญและปัญญาที่มุ่งหวัง ก็คือสมมติทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นตรงนี้เองเมื่อได้ความเห็นชอบได้ความเห็นตรงก็ย่อมจะได้ปาษาทะคือความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในประธรรม เป็นภูมาส่สัทธธรรมนี่ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการมาสู่สัทธธรรมนี้ก็ต้องอาศัยความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรม ความเลื่อมใสที่ไม่วันไหวในพระธรรมก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตรงเป็นหลักทุกคนย่อมมีความรู้ความเห็น ซึ่งเป็นตัวปัญญาที่ได้มาแต่ชาติกําเนิดเป็นมนุษย์ซึ่งแปลอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มีใจสูงหรือผู้ที่มีความรู้สูง ฉะนั้นจึงสามารถที่จะรู้สัจจะคือความจริงของสิ่งทั้งหลายได้ในขั้นธรรมดาสามัญทั่วไปและเมื่อได้อบรม ปัญญาที่ได้มาแต่ชาติกําเนิดอันเรียกว่าสะชติตปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้ความรู้ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้สมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบที่ยิ่งยิ่งขึ้นไป ได้ความเห็นตรงที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบไว้ทั่วไป